6. กสำเนียกว่าเราจักรำงับกายสังขารหายใจออก 7. ส็ดสำเนียกว่าเราจักรำงับกายสังขารหายใจเข้าลงมือปฏิบัติ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 พื้นจิตพื้นใจก็ปล่อยสบายตามก่อนหน้าถ้าฟุ้งมากก็จะฟุ้งน้อยลงหรือถ้าเครียดมากก็จะเห็นว่าเครียดน้อยลงด้วยจากนั้นจึงสำรวจว่าฝ่ามือผ่อนคลายหรือกมอยู่ถ้ากมก็คลายเสียจะวางไว้บนหน้าตักหรือที่ไหนก็ตามและถึงที่สุดให้สำรวจขั้นสุดท้ายว่าทั่วใบหน้าผ่อนคลาย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 ไม่ใช่บุคคลเป็นแค่าธาตุลมเข้ามาและออกไปเป็นคนละชุดอยู่ตลอดเวลาทุกขณะนอกจากนั้นยังได้ความรู้สึกตัวเต็มตื่นกายปรากฏชัดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องเพ่งหาว่ากายอยู่ตรงไหนพระลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายอยู่แล้วนำสติไม่รู้สึกตลอดทั่วทั้งกายได้เองอยู่แล้ว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 เราก็จะสามารถเข้าถึงการฝึกที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะไว้อย่างง่ายได้นั่นคือเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อยือนก็รู้ว่ายืนเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งเมื่อนอนอก็รู้ว่านอนเมื่อนนอยู่ในท่าทางอย่างไรก็รู้ว่าอยู่ในท่าทางอย่างนั้นแจกแจงโดยละเอียดได้ดังนี้หนึ่งเมื่อเดินก็รู้ว่าเดิน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 สองขาห้อยลงจากเก้าอี้ฝ่าเท้าวางราบสัมผัสพื้นหากเป็นการนั่งจเจริญสติรู้ลมหายใจส่วนหลังจะเป็นศูนย์กลางการรับรู้ว่ากำลังนั่งเพียงสังเกตอยู่เรื่อยๆว่าหลังตรงหรือหลังงอและส่วนหัวกําลังตั้งอยู่หรือเอียงไปทางใดก็นับว่าเริ่มเกิดสติรู้อิรยาบถนั่ง